ยี่สิบเก้าผู้พ้นวิปลาสคือผู้อาศัยอัตตาอย่างไม่ลึกลับคำว่าวิปลาสนี้ในความหมายแบบปุตุชนคือความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนจากความจริงตามประษาโลกีเท่านั้นเช่นถ้าสัญญาวิปลาสก็เป็นแค่ ความกำหนดหมายคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนจากความจริงพื้นพื้นตื้นตื้ น, นง่ายๆตามประสากำหนดหมายอะไรต่ออะไรผิดพลาดไปเช่นความจริงสิ่งนี้คือเชือกแต่เราสำคัญผิดว่าเป็นงูก็เลยตกอกต ก, ตกใจไป ถ้าจิตวิปลาสก็หมายความกินลึกมากขึ้นไปหนักหน่อยเช่นหมายถึงเป็นคนบ้าหรืออย่างน้อยก็เป็นโรคประสาทอะไรไปอย่างนั้นอันหมายถึงจิตไม่ปกติสามัญตามประสาคนทั่วไปเขาและทิศถีวิปลาสก็หมายความค่อนคอนไปเป็นวิชาการทางธรรมะเช่น มีความเห็นหรือมีความรู้ผิดพลาดไปจากความจริงและเป็นความจริงขั้นโลกีเท่านั้นยังไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนจากความจริงอันประเสริฐซึ่งเป็นความจริงขั้นอรยิยสัจผู้จะพ้นวิปลาสเข้าสู่โลกุตระธรรมได้สำเร็จก็คือ ผู้ต้องทำความเห็นความรู้ความเข้าใจทิฏฐิของตนให้สั ม, มาทิฏฐิเป็นสำคัญขั้นตน้นเป็นผู้พ้นทิฏฐิวิปลาสเสียก่อนจึงจะปฏิบัติเป็นคนเจริญหรือคนประเสริฐเข้าสู่โลกุตระภูมิเป็นอริยชนได้สำเร็จ แล้วจึงจะปฏิบัติกรรมฝึกฝนสัญญาของตนให้เปลี่ยนแปลงที่เคยสัญญาวิปลาสให้พ้นวิปลาสไปจนมีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์และหมดสิ้นความเป็นคนจิตวิปลาสบรรลุเป็นคนผู้มีอารยธรรมเต็มที่สูงสุดคือเป็นอรหรันต นั่นคือเราต้องปฏิบัติฝึกฝนตนจากที่เคยมีความกำหนดหมายในจิตการใช้สัญญาเจตสิก ข, ของตนอย่างปุุชนโดยการเรียนรู้และอบรมตนแก้ไขสัญญาจากที่เคยกำหนดหมายตามทิฏฐิอันมิช้าทิฏฐิมาตั้งแต่เป็นปุุชน ให้เป็นสัมมาทิฐิเกิดผลบรรลุธรรมในจิตไปตามลำดับจนกระทั่งบรรลุถึงขั้นอรหรันต์สมบูรณ์